อควาตูอรหัตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอควาตูอรหตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอควาตรหตสัมมาสัมพุทธะอิมังธรรมเทสนังสัทธาตาวติมุเสวิกันต มหามนุษย์มหาเทวามนุษย์สานังเกษตีตีตีใโอกาสวัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระ ส, สัจมาเทศนาในยมกบฏปาฏิหาเพื่อเพื่อเครื่องสวดง์องค์ศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านศราทธาทานบดีทั้งหลายพร้อมใจกันมากับเพื่อนเป็นอุศลประจําปะ คือวันขึ้นแรมหนึ่งค่เดือน1ิเอ็ดตรงกับวันจันทร์วันที่สิบสองตุลาคม2500สองพันห้าร้อยสิห้าในวันนี้ทั้งนี้พระว่าวันดาท่านพธรธตยาคตทั้งหลายมีความเชียดหือความดืด่มใส่ตรงสมเด็จประจอมจตรยพระมัสสานดาสมมาสมพุทธเจ้าแต่การแสดงธรรมวันนี้เป็นุสนทิปธรรมเทศนาติดต่อจากวันนี้เมื่อวันวานนี้ ปรากฏว่ามาเทศดกันถึงตอนที่ทพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่บรรดุกระพลทิจจาร า, าเวลานั้นองค์สมเด็จพระบโทธมลโล ก, ก น, านาถเจริญนาเพื่อคนที่เมืมองพาราสีต่อพระองค์ทั้งหมดจะยินด้วยเทวดาก็จะยินเพ่าการที่อินทกระเทศปบุบุเป็นเทวดาที่มีลุภาพมากกว่าเทวดาอื่นทั้งหมด แต่ว่าสายที่สายที่สายเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์เธอเป็นลูกชาวป่าพ่อตายจาัดฟืนขายเลี้ยงแม่ก็เป็นคนจนเพราเอ่ยบรรดาพระสงฆ์ในาศาสนาเขาองค์สมเด็จระทศสุนไปที่บางไกลไกลบ้านยิงไม่มีโอกาสถวายสังฆทานคือ ถ, ถวายทานกับพระสงฆ์พระสงฆ์ตั้งแต่สี่โกขึ้นไปถือว่าเป็นคณะสงฆ์ถ้าถวายจะเป็นอาีศสง์สังฆทาน ทั้งทั้งที่พระตาหารทั้งหลายไม่เตรียมไปก่อนก็ถวายสามีําเกิดอา น, นิสงส์เพียงเท่านี้คือหนึ่งความกตัญญูเทวทีโดยการที่ิสงถวายสังฆทานเป็นปัจจัยท่านไปเกิดดาวเดงุตเทวโลกมีอา น, นิสงส์สูงมากเป็นเทวดาที่มีคุณภาพมากกว่าเทวดาทั้งหลายอื่นสําหรับวันนี้ก็จะต่อมาวันวานนี้ เมื่อองค์สมเด็จพระจินทสีพระมุสสะสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าระกรรมังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาอยู่เวลานั้นปรากฏว่าในสวรรค์เช่นดาวดึงก็มีบุรุษคนหนึ่งคือเทวดาองค์หนึ่งที่อุปัตติทิตาเทพบุตรเทวดาองค์นี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ไม่เคยสร้างความดีสร้างแต่ความชั่ว ชิ้นทุกข้อขาดหมดธรรมะบางอย่างก็ขาดเขาทำบุญทำกุศลกันแล้วเห็นแล้วทำแป้งไปไม่เห็นเวลาเขาฟังทำแก้งส่งเสียงครบธรรมเมื่อตอนจะตายจากคนพราะาการใกล้เข้ามาทุก็ิสนามากความจริงก็แม่กองเ์ารลยพู้ไม่ไปพลาดเคยเดินผ่านด้านเขาก็ไม่เคยไหว้ไม่มีความเคารพในวัดไตสนาคม แต่ว่าเพราะกายใกล้จะจงหรือใกล้จะตายทุกเวทนาจัดก็มองดูบุตรปัญญาที่ดาฆ่าท่าทิ้งชายอสวุธทั้งหลายก็คิดว่าคนทั้งหมดนี้เขาสงสารในเราแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาวภาระเถอความหนักกายทางใจได้ใก้กับทุกเวทนาเวลานั้นที่จึงตั้งใจคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ี่ตามข่าวเล่าเลยเขาว่าพราะสัมณาคดมใจดีมากสเคราะไม่เรียกว่าใครใครต้องการให้สงเคราะห์ขาอขาสงคราะห์เขาคิดอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเขาคิดว่ า, า, าขอพระทธพระสัมมาโคดมาช่วยวาหายจากโรคแต่ความจริงเขาจะต้องตายเขาช่วยหายไม่ได้สัญญกรรมแบบสัญกรรมนายไขเขาก็ตายลงไปเพราะมวนึกถึงพระพุทธเจ้า ให้มารักษาโรคเมื่อตายจากความเป็นคนเพราะอาศัยบุญเล็กน้อยแต่เป็นมหาศาลใหญ่ก็มีสภาพใหญ่จึงนำเขาขึ้นไปเกิดบนดาวเรืงโซเทพโลกมีวิานทองคำไม่ที่อยู่มีน้าฟ้าหนึ่งพันเบริวารอาศัยความสุขสมานในความเป็นคิดในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีความประมาทสร้างคาทั่วไว้มาก เป็นเทวด า, วด า, าก็เป็นเทวดาประมาทไม่เคยสร้างความดีต่อตาราองค์สมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพรเดชชนไปบนเทศตัวรุตมันดาทเทวดาทั้งหมดประงทงเทศจากพระเจ้าจะเขาไม่มาเพราะสหตุในความเป็นทิพในเวลานั้นก็ปรากฏ ว, ว่ามีเทวดาองค์หนึ่งตามมาบาลีว่าการาระจาีแต่ว่าเทวดาเที่อนาคต มันนั่งแปรงฟังเทศครู่หนึ่งเพื่อลุกจากที่ประกาศตามวิมา น, มนต่างๆว่าเจ้าของวิมานนลอยเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศน์สอนพุทธมารดาที่บรรดุขมพลศิลาอายขอทุกท่านจะไปปรปนบรารมีเสริมอะรความดีเก่าเพื่อสร้างบุญบรารมีเหนือขึ้นเทวาดาอื่นเข้ามาแต่สุบทิติตาที่หมดแปลก เมื่อเข้าไปใกล้พิมานรัตุปฏิจิตาทิบุตรท่ากาจารเจ้าลีเห็นว่าเครื่องที่พุงเขาเศ่ามองจึงมีความรู้สึกว่าภายในเจ็ดวันเทวดาองค์นี้จะต้องตายจึงร่บประกาศว่าใครหนอเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้ท่านจะตายภายในเจ็ดวันแล้วทำไมโมงสมเด็จพระบพิตร้าเฟิ่มา จึงไม่ไปบรรลนประกวณบุญมรรมีต่อเพื่อชางเสริม ส, สร้างความต้งเสริมความดีเมื่อสุปฏิทิศาเทพบุตรได้ฟังก็ตกใจมองดูร่างกายเครื่องทิพส่ำมองมองดูที่รักแร้เหงื่อไหลาจากรักแรกเสิดาแสดงว่าไม่ชา้จนตายแน่ถ้าอาศัยในความเป็นทิพของท่าน ก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเปรติวดาจะไปไหนก็ทราบว่าเพราะอาศัยอาศัยบาปเก่าที่ทำไว้เมื่อตายจากความเปรติวดาแล้วก็ตกนรกือเวจีมารดก่อนแล้วก็ตกนรกทุกข์ขุมจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตเปสุรกายจากสุรกายเป็นสถิชัน ไอตอนเป็นสัตว์ฉันนี้ก็เป็นสัตว์วิเศษสี่อย่างคือมีแรงมีเกิดเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นสุนักว่าห้าร้อยชาติเป็นต้นเมื่อทราบกดของกรรมของตนแล้วก็ต่องใจร้องประกาศขอให้อภัยขอให้ทนายการจารีทเทวดช่วยถ้าการจารียบอกา ว, ว่าเคยกับฉันก็เป็นเทวดาเหมือนกัน ไม่สามารถจะช่วยกันได้ไมาเธอช่วยตัวเองไม่ได้ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้เหมือนกันผลของบุญก็เป็นเรื่องของบุญผมองบาปก็เป็นเรื่องของบาปแต่คนที่จะช่วยได้มีท่านเดียวคือพระอินเป็นนายของเราเอาสองก็ะพากันไปเฝ้านายนายก็บอกว่าฉันเป็นพระอินเป็นนายของเธอแต่ว่าฉันก็เป็นแค่เทวดาเหมือนกันไม่สามารถจะช่วยได้ ต่อมาก็พระอินทยบอกว่าขยา่ันมีองค์เดียวที่ช่วยได้คือสมเด็จพระจอมใจคือพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้แน่นอนพระยัพาสองเทวดาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรสี่พระอ์ที่บ้นุกมลศิลาอาดกราบทูลให้ทรงทราบว่าเทวดาองค์นี้จะต้องตายภายในเจ็ดวันเมื่อตายแล้วก็ุ่งหลั่ลงอเวจีมหานรก ถ้าตกนรกทุกขุมตามที่กล่าวมาแล้วถ้าเอาใส่บาปเลยมันมีมากความยิงบาปของสมปฏิทิเทิบุตรทิบันดาต่อพุทธบริษัทเจ้าบาปของทุกคนที่มันนั่งในเสาลานี้มารวมกันทั้งหมดก็ยังไม่ได้ครึ่งของสมปฏิทิศทิบุตรพราว่าทุกคนนี่มีศีลแต่ศีลขาดไม่ครบกันไม่ครบถ้วนไม่เดขาดจังห้าขอ้อและประการที่สองก็มีความรกรกใน ป, ตปัตยานาคม แต่การอิสานเขาจักให้ทานถวายสงังฆทานเป็นต้นวันนี้ใส่บาตรเทโวก็เป็นสังฆทานพักาหารที่ถวายพระสงฆ์ก็เป็นสังฆทานเป็นทานใหญ่ท่านอกจากนันบรรดาะมุทรไวยสัตย์นัยยังเคยเคยฟังเทศจากบรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาสำหรับสมุติทิตาเทโวทัา น, นความดีอย่างนี้ ไ, ม, บบ ม, ไม่เคยทํามาบาปมากเหลืยเกิน ในว่าได้เมื่อพระอิน์เข้าไปพ่อพระเจ้าแล้วก็เล่าความเป็นมาให้ทราบองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่อเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเราจะเทศอภิธรรมจะทรงควรกระเทวดาองค์นี้ไหมก็ทรงทราบตามวารรณะจิตข้าองค์สมเดจพระจอมใจว่าถ้าเทศอภิธรรมเปฟังไม่รู้เรื่องอธิสุขก็จะตาย ต, ายตองอเวจีมหานรกจึงพิจารณาการเทศน์ปคุณจะเทศอะไรก็ทราบว่าถ้าเทศน์อุณิทวิช า, ยยา์ยโส จะเป็นที่พอใจของเธอเมื่อเธอฟ้องจบที่เป็นมโสดาบันเรื่องบาปกรรมต่างๆที่จะชาระนี่นั้นเลิกกันถ้าเป็นระโสดาบันแล้วนะบาปทั้งหมดไม่สามารถให้ผลได้มีทางเดียวโดยเข้าไปใกล้นิพพานและถึงนิบานเจ้านัาน้นองค์สมเด็จพระคิดรำมาจึางแสดงองค์หนึ่งจึงใจจะสูตรพอจบเธอเป็นโสดาบันเดียวนั้นเหนือบรรดาเจา้าพุทธบริสุทธุกท่าน ทำว่าบาปมีกับคนทุกคนแต่ว่าคนทุกคนก็ตั้งใจทำบุญปกติธิตฐคนนี้ไปเทวดาเป็ น, เ, ปนเทวดาได้กรอาสัยพุท ธ, ธานุภาพคือนึกถึงพระพุทธเจ้าจะได้สมบรติแท่นพระสวัสดิ์ทุกคนอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแต่ความตายเราจะตายกับความมีคือนึกถึงคุณขรองค์สมเด็จพระจินสี ขึ่นภาวนาวัคธคธุโทคือว่าท่านจำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทำถ้าถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ถึงถึงว่าทก็ได้ถ้เถึงพระสงก็ได้ถือถึงทานการบริจาคก็ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดไว้ในเรื่องหัวข้สนทุกคนจะไปสวรรค์ทันทีถ้าความพราความดีสูงสุดก็ไปโน่นไปนี่ไปนร่ไปนีน่ ตอนนี้ผ่านไปได้ฝากวันหนึ่งบรรดาท่านพุทธไวสัตทั้งหลายในขดดาที่องค์สมเด็จพระจอมใจบริมศสาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศอยู่ที่นั่นเวลาตอนเช้าก็ลงมาเป็นธรรบาติแล้วก่อนที่มาเป็นธบัตบก็สมเด็จมิพระพุทธเจ้าแทนโระงก็มาเป็นธรรบาติพระเจ้าองค์แทนก็เทศต่อต่อไป เจ้าเทวดาทั้งหมดไม่ทราบพระพุทธเจ้าลงมาเป็นธรรมบาตรวันหนึ่งมาองค์ทหนึ่พระผููมีพระว่าพระเจ้ามาเป็นธรรมบัตรมาเถียงจากปกกรณีพอดีพระภาษาทบุตรมาถึงพอดีพระพุทธเจ้าจะเรียกภาษาที่บทว่าสาธิบุตรดูก่อนสาธิบุตรเธอจะมาที่นี่บูรศิธิ์ของเธอตั้งห้าร้อยองค์เคยเกิดเป็นข้างคาวมาก่อนในสมัยพุทธกระสุ เธอนอนอยู่ในรรถ้ำพระพุทธกระสับทรงเทศเรื่องพระอวิธรรมบรรดาพระทรรมหลายฟังแรงก็สาทายก็จดจําไว้เพื่อปฏิบัติเมื่อขณะที่พระสวดอวิธรรมเจตจำนปีอยู่บรรดาครืงคาวธรรมหลายพวกนี้ฟังเพลินในที่สุดก็หลับหลับแล้วก็หลุดมาตายทั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายจากความเป็นเครื่องขาวแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เปเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดวดึงสตรีวโลก เมื่อพุทธบัตรการนี้เธอมาเกิดเป็นลูกชาวประโมงแล้วก็มาบวชเป็นักาของเธอวันนี้ถ้าเธอเข้าไปแล้วแข่งข้าวเสร็จจงเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดประเทศอภิธรรมอาศัยที่เขเคยฟังอภิธรรมมาแล้วไปฟังใหม่ให้มาฟังจบเขาจะเป็นเขาจะเปพระรหั น, นาหา ท, ทันทีพราะไปสมิทายานแล้วองค์สมเด็จพระพุทธมัยก็ทรงเสมเด็จกลับขึ้ น, นไปบนสวรรค์ชั้นดาวพฤหัสที่วโลก เรื่องเดิมนี่วันยาวใจง่าเอาเรื่องหน่อยนะเอาเรื่องเดิมมาหน่อยนะก็เป็ว่าอดีตข้างข่าวพระทำหลายพวกนี้ที่เป็นข้างข่าวฟังพระจะทำในเวลานั้นแล้วต่อมาในขณะนั้นขณะที่คข้างข่าวฟังพระสดอภิธรรมก็มีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งนอนฟังอยู่เหมือนกันความจริงไม่ตั้งใจจะฟังแต่ก็จําเป็นจะต้องฟังเพราะพระสดที่นั่น ตัวเองก็ไปทำไมไม่คอรจะไหวต่การฟังพระอุษมเพื่เจตจำนปีเธอเชอบกับปีเดียวคือ บ, บทปัญจกักันธาที่พระสวดปัจจักันธาใหญ่ว่าจากคุณที่ยังโซตินทียังคานินทียังเป็นต้นเธอชอบเฉพาะบทนี้เพื่อตาจากความเป็นคนก็ เ, เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเรืองสติวโลกหมือนกันที่สัตว์ฟังเสียงพระสวดก็ เ, เกิดบนสวรรค์ได้นะ จะลืมหลังจากนั้นมาหมดวันวันสดนาบริเวณจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดเป็นคนมาบดในในชนักของอาเจยลกเธอได้สมาบัต 8, แปดก็ได้ทิกพยานด้วยญาณต่างๆหลายอย่างเป็นทิพยาณโสตญาณอธิตังต ญ, ญาณ น, นางกรตงตญาณเป็ตนต้นเธอได้ญาณต่างๆวันหนึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอาสออุคราชเกิดแล้ว พระเจ้าที่ผ่านไปประมาณ 2,200 ปีเศษพระเจ้าสุหรไลเกิดเป็นเด็กเล็กวันหนึ่งเมื่อว่างแขกแม่ก็พาลูกชายไปหาพ่อรือเป็นประราชาพ่อก็ับลูกชายไปนั่งมันตัก ก, ก, ก็พอดีลูกชายที้แตกออกมาจิงหาเอ้ยลูกชายขี่ออกมาเลยก็จับโลกมาวางข้างนอกนอกตัวเอง มันดาก็พาไปล้างน้าไปอาบน้ำเสร็จแต่งตัวให้เรียบร้อยก็พาไปเดินไปนอกพาไปเดินนอกเมืองนอกเสร็จเพราะว่าเขจะวังเวลานั้นพอดีอาเจลกท่านหนึ่งท่านงูเหลือมเนี่ยอาเจลกเดินผ่านมาก็จ้องมองดูเด็กถ้ามานดา ย, ยังถามว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรทําไมจ้องแต่งมองเด็กคนนี้ อาเจนลกอาศัยด้ได้ทิพยาอย่ญาเขาบอกว่าคอยเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ดีๆเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากต่อไปจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและ ก, ก่อนทีะเยซูศากนาที่จะเปิดและเสด็จราชสมบัติก็จะต้องฆ่าน้องชายต่างมรรดาแปดสิสี่คน เมื่อฟังแล้วท่านก็เมื่อพูดแล้วท่านก็หลีกไปมันดาก็พาาลูกน้อยเดินไปเที่ยวต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตเขาก็เชิญพระเจ้าอโศมาราชขึ้นเสวยเสวยราชสมบัติเ็เป็นลูกชายคนโตแต่มีลูกชายน้องชาย อ, องค์หนึ่งคือท่ี่ว่าธรรมศินาต่อมาท่านเป็นพระละหัน หลังจากนั้นบรรดาน้องชายมาตามพมันดาแปดสิบสี่คนคิดจะแย่งสมบัติจึงนำกำลังทหารทั้งหมดมาลอา้อมวังตา้งทำดาวทหารทั้งาวังใน ม, มีไม่กี่คนที่จะน้อยทั้งทหารพันนอกมีมากท่านเอาสมหวะเอาสมหวราชฐานน้องชายว่าเราจะยอมก็ราไม่ยอมน้องชาที่ชื่อว่าธรรมเสนาบอกว่าในฐานะที่เราเป็นกษัตย์ ทำว่ากับสัตว์แปลว่านักรบเราจะต้องรบถ้าสู้ไม่ได้ให้มันตายเลยสงครามก็้จำเป็นต้องสู้ในที่สุดก็่งจำเป็นต้องสู้ตั้งทต่ทหารน้อยขอมากแต่ใช่วุธิการมากจับน้องชายแปสิสี่คนได้ถ้าสั่งทหารชีวิตให้เราเสมอต้อจะสมบัติต่อไปต่อมาแปลกฏว่าบันเนือง ท่านเกิดความสงสัยว่เหตุร้ายจังนี้เคยมีใครพยากรณ์ไหมก็ถามว่ามารดาว่าเหตุร้ายต่างๆนี้เกิดขึ้นนี้เคยมีเคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพระมารดาก็บอกว่ามีแตสมัยที่พระองค์เป็นเด็กแม่พาไปนอกวังแม่เจริญลุกท่านหนึ่งคําว่ า, าเจริญโลกเป็นบรรดาญาโยพระทบสัตว์เป็นข้าที่แกผ้าเดินไม่มีเสื้อไม่มีผ้าเป็นร่างกายเฉยๆ ได้พยายามไว้ว่าจะเป็นอางนี้ถ้าจึงถามพระมารดาว่าเวลาเนี้อาจรกท่า น, นั้นอยู่ที่ไหนพระมารดาก็บอกว่าเวลาเนี้อยู่ใกลจากวังใบบานลอยโยต์ท่านจึงสั่งกรบวนกองเจติยศเพรทอดในขันหามไปรับสตาจารย์เข้ามาในวังเพระเยรเป็นหมอดูประจำํำถ้าเมื่อกองเกจิยศไปถึงอาจรย์ลกแล้วก็บอกเมาให้ทราบ อเวลานี้พระราชานิมนต์เข้าไปในวังอาจยรลกก็ดีใจทั้งแค่์ขณะนันหามาเมื่อไดงสันหามาแล้วก็ผ่านวัดพุทธศาสนาขึ้มีพระสงฆ์บังเอิญเจ้าวาดว่าท่านไปพระหล า, า, านพระใบเสวิตายาญเธอก็มีความเบ่งคิดว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทมจีวรโนสบงทรงจีวรภาคฉันกติแต่ตัวสวยแต่พระราชาไม่ต้องการ เราเป็นอาเจยลกไม่มีพ้านุง่งไม่มีหอมพระราชาทองการ mm. ก็อยากจะอดเดชสัปดา mm. เพียงบอกกบันดาขวันไหนว่าวางแค่แที่นี่ก่อนจงหยุดไว้ก่อนเราไปสระกบันดาประสงค์ในวัดนี้ต้องเข้าไปหาพระในวัดนี้ก่อนความจริงเขาจะเข้าไปเบ่งแต่ว่าในาฐานนะ ที่พระองค์นั้นท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นไปสัมปช า, ายานด้วยก็ทราบวาระน้งจิตธรรมดาพระเนีถ้ารู้แล้วก็ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้นะเป็นของธรรมดาในญาติโยมนะเวลาไปหาพระก็ต้องระวังหน่อยพระที่มีชื่อเสียงมากๆฟังดีท่านรู้ทุกอย่างจากความรู้สึกของเรารู้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านรู้ในในในอดีตที่ผ่านมา แต่ไม่ใช่ภาระก็ท่านที่จะไปยาก่อนแ้่ก็ไม่พูดเว้นไว้แต่เราจะถามถ้าเราจะถามท่านอาจจะตอบจะอาจจะตอบตรงบ้างเฉียงเฉียดไปบ้างตูตามรูกความวราคุณจะตอบแบบไหนสำหรับอาเจนลกคนนี้มาลงจากแค่อาคาคารหามแล้วก็เดินเข้าไปในวัดสวมผ่านวัดเอารับ ท, บที่ขอบที่ขอบประตูวัดที่ขาวัด ตอนมาดับนอกรูอ่บังเอิญในวัดนั้นก็มีสัตว์หลายชนิดสัตว์ป่าที่เคยไปสนศัตูกันแต่มาอยู่รวม ก, กันได้ไม่มีใครทำอันตรายซึ่งกันและกันต่างสัตว์ต่างมีความรักซึ่งกันและกันเหมือนพี่น้องเพราะว่าเจ้าวาดเป็นพระอรหันต์เมื่อเข้าไปในวัดเขาก็ถานุสัตว์ต่างๆที่ไปที่เสือํามว่านี่ตัวอะไร จเจ้าวาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออายตนะชื่อไปชื่อไปที่สิ้นโตอัเดียดจะเริ่มชื่ออะไรให้บอกชื่ออายตนะชื่อไปสองสามที่ท่านก็ตอบว่าอายตนะเสมอท่านก็ถามว่าเธอรือ้อายตนะแล้วหรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธวิษั์อาศัยบุญเก่าที่เผยฟังอวิธรรมเธอก็บรรลุปโสดาบันทันที อาจารย์งเอ้ยทีตอนมนุกษฐ์โสดาบันในฮิทธิสัพปะ้ัะก็มารี่นะเกิดความละอายว่าตัวเองแก้ผ้านั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้านฮะลองดูลองแก้ผ้านะเพราเพียบที <laughs> มันยามิดจะไม่มิดใ ค, ใครสงสัยก็ลองดูก็ได้นะโลกเพื่อแก้ผ้าแต่ก่อนแล้วนั่งพับเพียบปิดหน้านะเออ <laughs> <c oughs> แล้วพระจึงเลยเอาผ้ากี่มวนมาส่งให้สมองมาส่งให้พอกระนองผ้าแล้วก็กลับออกไปบอกกับพวกคันหามว่าขบวนแห่บอกเธอจงไปก่อนเรายังไม่เสร็จสุระจกพระวัดนี้เมื่อเสร็จสุระแล้วกล่าวทูราชาว่าถ้าเสร็จสุระแล้วจะไปเองขบวนแหก็กลับแท่งเข้าวันวัดใหม่พระเจ้าจว่าถ้ากะเทศอวิธรรันเจคัมภีร์ตามเดิม พอฟังตกก็ไปพระรันไม่สมิธายานทันทีนี่ธรรดาท่านพุทธบริษัททัลายเวลาที่เชาวบ้านเขาตายกันนะเขารียกมนพระไปสวดอภิธรรมเพราะว่าพระอภิธรรมนี่มีอานิสงส์มากที่พุะเจ้าเลือกเทศตมุมานดา้าว่าท่านตั้งใจฟังจริงๆถ้าตายจากความเปคนยังไม่ไปที่พาน หลังจากนั้นจะได้ฟังพระสวดพระเพ็ญอวิชันนะ <c oughs> ก็จะอย่างน้อยได้ไปโสดาบันกันทีเหมืกันอะไร บ, บันดาเป็นพ ร, ริษัทลอยสั้นในเวลาหกนาทีตอนนี้ไปก็พูดเรื่องพระพุทธเจ้าในย่อแล้วนั้นก็จะไม่หมดเรื่องเนี่ยยังมีมากนะเล่าต่อไปอีกเยอะแยะเทศ่ยงเจ็ดวันก็นมาจบพระพุทธเจ้ามาถึงวันออกพรรษาคือวันนี้ ก็จสะสาดเด็จตรงที่ประตูเมืองสังกัดนครที่แสดยยงยโมกปฏิหารเฮ้ยท <c oughs> ี่ก็อนสมบัติให้เกิบบดบันไดแก้วเ พ, พื่อเขาก็จะเจ้าจากดาวดึงมามนุษย์ <c oughs> ยาวหลายแสนโยชดตัด้งซ้ายเป็นบันไดทองเำหรับรมลงมาตั้งขวาเป็นบันไดเงินสำหรับเทวดานางฟ้าลงมา พอถึงเวลาแล้วพระเจ้าสมเด็จเดินนําพระอินทร์นำเทวดานางฟ้าผุ่ทั้งหมดลงมาที่ประตูเมืองสังกัดตนครพระองค์สงเด็จู้พุ่งไปเข้าลงมาแล้วก็แปลผลว่า บ, บ, บรรดาพระสนทั้งไหลก็ดีชาวกรุประชาชนนั่งไหลก็ดีที่มาเทศนาวานี้บอก ว, ว่าเขาคอยจีกว่าพระเจ้าจะกลับต่างคนก็ต่าง ม, มาเข้าพระเจ้าพระเจ้าทรงจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะประดับบรรดาปณิหาร ให้คนและสัตว์ทุกประเภทฟังเสียงกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องนรกทั้งหมดสวรรค์ทั้งหมดเปิดเห็นกันหมดไฟนรกดับเครื่องลงโทษนรกก็หยุดไม่ทํางานสัตว์นรกก็มีความสุขคนและสัตว์ก็ต่างรู้เรื่องรู้ภาสาสันเนี่ย น, นันนานาฏปฏิหอยของพระเจา้าเป็นหนา้าจริงใหญ่มากหลังจากนั้นระองค์พระเจ้าสถิตแจ่ลงมาแล้ว มีพระสงฆ์ธรรมเนียมเข้าไปเฝ้ามาอันดับแรกองค์ถามปัญหากับพระเบญสุสงฆ์ธรรมดาที่ไม่ได้ฌานสมาบัติถามว่าอารมณ์ของฌานเป็นยังไงพระที่ไม่ได้ฌานตอบไม่ได้พระที่ทรงฌานตอบได้ถ้าตอตาอารมณ์ที่ตนได้ถ้าตอไปก็ถามอารมณ์ของมโะโสดาบันพระจะทรงฌาน ถ้าที่ทรงชานตอบอารมณ์ของพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันก็ตอบต่อมาถามปัญหาเป็นวิสัยพระสกิธาคามีพระโสดาบดาบันก็ตอบไมได้ถ้ะสกิทาคามีก็ตอบต่อมาก็ถามวิสัยพระอนาคามีพระสกิธาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบต่อมาก็ถามว่าถ้าพระอรหันต์อารมณ์พระอรหันต์ถ้านาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบ ต่อมาก็ถามเรื่องอารมณ์อรหันต์เหมือกันแต่เป็นอารมณ์เขาว่ า, าสาษาบุบงซายทอาหันปกติธรรมดาตอบไปได้พระโมกขลาก็ตอบต่อมาก็ถามพวะกขลาเรื่งรองปฏิบัติทางอขาว่าภาษาบุบงขวาคือของภาสาดิบุตรพระโมกขลาตอบไม่ได้กรถามเรื่ออารมณ์นะพระษาดิบุรตอบได้ต่อมาพระองค์เขาจะไปจอมใจก็ถามปัญหา ข้าพมาสมาสามพุทธเจ้าถ้าสาดีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าตรงตอบต้องถามใหม่ถามเป็นการแนะนําำในตัวเสร็จถ้าสาดีบุตรตอบได้ในบรรดาเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายการปฏิบัติธรรมจงอย่ามีความเข้าใจว่าเรา ม, มีความรูต้ตลอดตลอดกาลตลอดสมัยอารมณ์ใจเป็นเรื่องความมีความสำคัญ ถ้าคนที่ไม่ได้ชานจะพูดเรื่องฌานยังไงมันก็ไม่ถูกคนที่ไม่ได้เป็นระโสดาบันจะพูดยังไงระโสดาบันก็ไม่ก็ไปถูกอรมณ์มโสดาบันดีไม่ดีขอ ง, งง่ายพูดให้ยากถ้ามีความเข้าใจผิดธรรมดาญาจจติโยมตาเขาเป็นสาวอกอของค์ท่านพระธรรมสามิตรวันนี้เหลือเวลาสองนาทีก็อยขอแนะนําอารมณ์ของมโสดาบันไว้สักเล็กน้อย อารมณ์โสดาบันจริงิจะมีสามข้อคือหนึ่งสกาญาติฐิสองวิกิกิจฉาสามเสพตะปรามาต์แต่จงอย่าลมว่าระโสดาบันก็ดีพระสกิตาคารมีก็ดีพระพุทธเจ้ากรัว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุท่านปัญญาของวิโสดาบันก็มีสุดความรู้ถึกว่าชีวิตที่มันต้องตาย สักวันหนึ่งข้างหน้าเราตายแน่แต่ก่อนจะตายเราก็ไม่สงสัยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอสงค์วิถีชานแน่ตัดความสงสัยออกยอมรับจับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริสงด้วยคามจริงใจแต่การใ้สารสิลิปตะประาปรมาตไอ้คำว่าเสิ ร, ริปตะปรามาตรักษาศีลไม่จริ่รูปคําศีลก็เลิกกันรักษาศีลอย่างหมดจดแจ่มใส แต่นอนุปัฏฐ์ดาบันจรงมีคุณธรรมสามอย่างคือหนึ่งนึกถึงความตายในการที่สองยอมรับตั้งถิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในการที่สามมีสินห้าบริสุทธิ์อย่าลืมว่าประโสดาบันก็ดีพระสิษยาภิโกขดียังมีการแต่งงานยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจยังมีความอยากร่ํารวย กะทว่าทุกคนซึอไม่อยากจะรวยก็รวยในขอบเขตของศีลมีความรักก็รักเกู่ในขอบเขตของศีลห้าเป็นน้่าไม่ยอมขายศีลห้ากแล้วกันอรบันดาญาโยพุทธบริษัททุกท่านอวลาเหลือเพีนงอตีเราขอจบตรงนีเพียงเท้านี้นะในที่สุดน้ำะธรรมเทศนาเนี่ยจะมาภาพขอตั้งสัตยาที่ฐานอ้างคุณพระศีลัตะนาทไ มีพระพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะและสังกัรัตรนะตอนสามนาการจงดนบรรดาใน้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลเพื่อจงเจรเินไปด้วยจากตุวพระพิตรพรายทั้งสี่นาการมีอายุอัรณะสุขาระระปฏิาาภาณหาพัฒนาเสียงใดร้อยได้สิท่านนสงความปัญญายุทธภการอาตมาภาพคธารไม่ขสนามาก็ ข, ขอยุติพระธรรมเทศนาลงด้วยเวลาแต่เพียงท่านี้ เอวังก็มีจักรการในชาติี้หมดเวลาพอดี